เราก็พร้อมใจกันนะฟันฝ่าอุปสรรคความยากลำบากมาไดนะ้จนถึงนาทีนี้เราต้องเจอกับการฝนการฝึกที่เข้มขน้นหลายครั้งต้องผ่านการอบการรมการบ่มนะติดต่อกันหลายวันนะบางคนก็อาจจะท้อแท้บางคนก็อาจจะ น้ำตาตกนะคิดถึงบ้านแต่ว่าเราก็มาจนถึงนาทีนี้ไดนะ้เป็นเรื่องที่ควรภาคภูมิใจอยากให้ช่วงเวลา23 24วันของพวกเราเป็นช่วงเวลาที่ควรแก่การจดจำ ตอนนี้อาจจะยังไม่รู้สึกว่ามีอะไรที่น่าจดจำนะเพราะมีแต่ความดีใจที่จะได้กลับบ้านตอนนี้ก็ฝันแล้วนะจะไปกินอะไรที่บ้านพิซซ่าแฮมเบอร์เกอร์นะไก่ย่างส้มตำนะแต่เชื่อว่าผ่านไปหลายปีก็คงจะมีสิ่งดีๆในช่วงสามอาทิตย์ที่ผ่านมาให้เราจดจำได้ หลวงพ่อเนี่ยไม่มีโชคดีเหมือนพวกเรานะบวชเรียนแค่สามวันนะตอนนั้นไม่ได้บวชเรียนเพราะฤดูร้อนด้วยบวชตอนที่ยังเรียนหนังสืออยู่นะประมาณกลางปีอ่ะท่านจึงบวชได้ไม่นานนะบวช ท, ทําบุญให้กับปู่นะซึ่ง ย, ย้าย ที่เก็บศพนะไปไว้ในสุสานนะก็ต้องมีพระมีเนนนะช่วยจูงศพนะสามวันก็เวลาไม่มากแต่ว่าทุกวันนี้ก็ยังอยู่ในความทรงจำนะมีความประทับใจกับช่วงเวลาที่ดีๆที่บวชเนน มันก็ไม่ง่ายนะที่เด็กอายุสิบขวบตอนนั้นกอห้าจะได้ผมผ้าเหลืองแล้วก็จะได้ใกล้ชิดศาสนาและอันนี้สองอย่างหนึ่งนะของการบวชเนนนะก็คือว่าทำให้กลัวผีน้อยลงพวกเราบวชมาสามอาทิตกว่านี่อย่างน้อยน่าจะได้ประโยชน์ตรงนี้นะ กลัวผีน้อยลงนะใครบ้างที่กลัวผีน้อยลงอ่ะอยกมือขึ้นซิเอเก่งมากแต่คนนี้เนี่ยไอ้ที่กลัวผีน้อยลงเนี่ยอาจจะเป็นพ่อยังมีผ้าเหลืองคุมอยู่นะเดี๋ยวพอเปลืองผ้าเหลืองไปนี่จยังกลัวอยู่หรือเปล่าหรือหายกลัวแต่เขาลุงพ่อนี่พอศึกไปแล้วนะความกลัวลดลงไปเยอะเลยยังกลัวอยู่นะมาหายกลัวจริงๆนะตอนมาบวชพระ ที่นี่อ่ะหายกลัวจริงๆเลยแต่ว่าถ้าเราหายกลัวบ้างนะก็ถือว่าได้ประโยชน์ละตอนนี้เรายังมีผ้าเหลืองคุ้มครอ ง, องแต่อีกไม่กี่นาทีข้างหน้านะเราก็ต้องเปลื้องผ้าเหลืองส่วนซ้าส่วนชิเะจเรนี้ก็ต้องเปลื้องผ้าขาวกำมาขมผ้าเหมือนเดิม อย่างนักบวชก็กลับมาเป็นคฤือหัดผู้ครองเรือนนะประเพณีไทยเนี่ยเราถือว่านักบวชเนี่ยเป็นเพศที่สูงนม่าจะเป็นสามัญเนยไม่ใช่เป็นศีลจารินีก็ยังถือว่าสูงก็ขนาดพ่อแม่เรานะียังไหว้เราเลยปู่ย่าตายายหรือว่าพ่อเฒ่ามาแก่ นะเห็นเราเนี่ยเขาก็ไหว้เขาไหว้ลราเพราะเรามีเพศที่สูงกว่ามีผ้าเหลืองหรือว่าเป็นนักบวชอย่างศิลเจรณีเนี่ยเพราะเรามีศีลชาวบ้านเขาเคารพเราเพราะเรามีศีลมากกว่าเขาถ้าเรามีศีลสิบนะมันไม่ใช่แค่ผมเหลืองหรือว่าผมค้าวเดียวนะแต่เพราะเรามีศีลมากกว่า ช, ชาวบ้านก็ลุงเคารพจึงไหว้ อ่าไม่ถึงแับกราบนะแต่ก็ไหว้แลลวนะเมื่อเราสึกษาไปนะเราก็ต้องเป็นสายไหว้พ่อไหว้แม่สายไหว้ปู่ย่าตายายเพราะว่าเรากลับมาสู่เพศเดิมดแต่ว่าอยากจะฝากไว้อย่างหนึ่งนะก็คือ แม้ผ้าเหลืองหรือผ้าขาวเนี่ยจะไม่ได้คลุมร่างของเราแล้วแต่ขอให้ผ้าเหลืองผ้าขาวยังคลุมใจของเราอยู่ <S <S เข้าใจไหมผ้าเหลืองผ้าขาวเนี่ยคลุมใจเราไว้ถึงแม้ไม่ได้คลุมกายเราแล้วเดี๋ยวสักครู่นะก็กลับไปแต่งตัวสวมเสื้อแดงสวมเสื้อเขียวสวมเสื้อเหลือง อันนั้นภายนอกนะแต่ในใจเนี่ยขอให้มีผ้าเหลืองคลุมใจเราอยู่หรือผ้าขาวเนี่ยคลุมใจของพวกเราที่เป็นผู้หญิงหมายความว่าให้มีธรรมะรักษาใจเราต่อไปให้มีศีลรักษาใจเราต่อไปกลับไปบ้านแล้วเนี่ยขอให้เราเนี่ย เป็นลูกที่ดีกว่าสามอาทิตย์ที่ผ่านมาสามอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเราเป็นคนอย่างไรเนี่ยนับจากวันนี้ไปเราต้องดีกว่าไม่ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายนะเราต้องดีกว่าเดิมดีกว่าเมื่อสามอาทิตย์ที่แล้วดีกว่ายังไงนะก็อย่างน้อ ย, อยก็นอกจากกลัวผีน้อยลงแล้วนะ ก็ต้องกินง่ายอยู่ง่ายมากขึ้นนะมีน้ำมีน้าใจนะต่อมิสหายมีความเมตตากรุณามีความอดกลั้นอดทนรู้จักคอยนะไม่ไม่ทำตามใจตัวและที่สำคัญคือมีความกตัญญูรู้คุณมากขึ้นนะ บวชพระบวชเนยก็ตามเนี่ยนะเราเป็นหนี้ผู้คนมากมายที่จริงเราเป็นหนี้มาตั้งแต่เกิดแล้วละ่ะถึงแม้ไม่ได้บวชก็ตามแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราก็คิดว่าเราเป็นนายใครๆต้องมาดูแลเรา ไม่ได้คิดว่าที่จริงแล้วเนี่ยเราต้องสำนึกในบุญคุณของเขามีผู้รู้เนี่ยเขาเปรียบเทียบนะระหว่างแมวกับหมาเนี่ยรู้ไหมแมวกับหมาต่างกันยังไงแมวเนี่ยเวลาเราให้อาหารมันนะมันนึกว่ามันเป็นพระเจ้าส่วนหมาเนี่ ย, นนยถ้าเราใ ห, ให้อาหารมันนะหมามันนึกว่าเราเป็นพระเจ้าเข้าใจั้ยแตกต่างกันไหม เวลาเราให้อาหารแมวเนี่ยมแมวมันนึกว่ามันเป็นพระเจ้าส่วนเรานี่เป็นท่านมันส่วนหมาเนี่ยถ้าเราให้อาหารมันนะหมามันรู้สึกซาบซึ้งในบุญคุณของเรามันคิดว่าเราเป็นพระเจ้าเลยหมายความว่าหมานี่มันจะซาบซึ้งบุญคุณของคนที่ให้อาหารมันส่วนแมวเนี่ยนะเราให้อาหารมั น, things, นมเนี่ยมันนึกว่าเราเป็นท่านมันนะเด็กหลายคนเนี่ยคิดแบบนี้นะ คือตั้งแต่เกิดเลยก็คิดว่าที่พ่อแม่เลี้ยงดูเราเนี่ยที่ปู่ย่าตายายเอาใจใส่เราเนี่ยนะเป็นเพราะเขาเป็นทาสเรานะเขามีหน้าที่ต้องดูแลเรานะอย่างนี้เนี่ยมันไม่เกิดสำนึกบุญคุณนะหมาเนี่ยนะเราให้อาหารเขาเนี่ยเขาจะรู้สึกสำนึกในบุญคุณ แล้วเขาก็จะคอยปกป้องเรานะอยู่บ้านไหนก็จะรักษาบ้านนั้นไม่ให้โจนเข้านะเนะี่เวลาเราเวลาเร า, เามาบวชเนี่ยนะเดี๋ยวน้อยๆก็ให้สำนึกว่าโอ้การที่พ่อแม่เขาเลี้ยงดูเราเอาใจใส่เราเนี่ยโอ้เราเป็นที่บุญคุณพ่อแม่มากเลยอย่าไปเชื่อพ่อแม่เนี่ยทำเช่นนั้นเพราะเป็นหน้าที่ พอคีดเช่นั้นเนี่ยเราก็จะเอาแต่เรียกร้องขอโน่นขอนี่จากพ่อแม่พอพ่อแม่ไม่ให้ก็โกรธนะไปว่าว่าพ่อแม่นี่บกพร่องในหน้าที่นะนที่จริงเนี่ยเราต้องคิดว่าโอ้ที่ท่านดูแลเราเลี้ยงดูเราตั้งแต่เกิดจนวันนี้นี่เป็นนี่บุญคุณเยอะแล้วเราต้องตอบแทนท่านเมื่อกลับไปเนี่ยนะก็ขอให้เรานะสำเรื่ในบุญคุณของพ่อแม่มากขึ้น สำนึก บ, บุญคุณเนื้อไม่พอนะต้องตอบแทนตอบแทนเนี่ยด้วยการทําความดีอย่าเพียงแค่นึกสํานึก บ, บุญคุณเฉยๆอย่าเพียงแค่ขอบคุณในใจเฉยๆมีเรื่องเล่าว่าสมัยที่หลวงพ่อพุทธทาสยังอยู่เนี่ยพเพื่อรารู้จักมากหลวงพ่อหลงพพุทธทาสอะคุอ้วนะนะถ้าท่านอยู่ป่านี้ก็อายุร้อยสิบปีแล้วท่านเป็นผู้ก่อตั้งสวนโมก ถ้าเป็นพระที่มีคนนับถือมากมีวันนึงเนี่ยฝรั่งมาหาท่านที่สวนโมกแล้วก็คุยกันคุยจากเรื่องธรรมะก็ไปคุยเรื่องประวัติศาสตร์คุยเรื่องโบ ร, ราณคดีแล้วก็ฝรั่งก็รู้สึกทึ่งว่าหลวงพ่อพุทธทาสนี้ท่านมีความรู้เรื่องโบ ร, ราณคดีโดยเฉพาะบริออเวณภาคใต้เพราะภาคใต้นี่มันเคยเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรศรีวิชัย เขาสนใจเรื่องโบราณคดีและยิ่งเขารู้ว่าวัดของหลวงพ่อพระธท่านเนี่ยคือที่ท่านเป็นเจ้าว่านะคือวัดบรมธาตุชายาเนี่ยมีพิพิธภัณฑ์นะเขาก็สนใจหลวงพ่อพระธัญก็ชวนเข้าไปดูพิพิธภัณฑ์โบราณคดีที่วัดพระบรมธาตุชยย า, ย า, ย า, ยายแต่วันนั้นเป็นวันหยุดพันธารักษ์พันธารักษ์ก็คือผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์เนี่ยไม่อยู่อยู่บ้านนะ ญาติโยมเพะรู้ว่าจอมพุทธทาสี่อยากจะดูพิพิธภัณฑ์อยากจะพาแขกดูพิพิธภัณฑ์ก็เลยไปก็เลยไปตามพันธารักจากบ้านมาพันธารักก็ดีใจใหญ่นะเปิดพิพิธภัณฑ์เปิดไฟเปิดหน้าต่างเพราะพิพิธภัณฑ์นี้มีหน้าต่างเยอะเป็นสิบสิบบานแล้วจอมพุทธทาสก็พาแขกนะไปแนะนําพูดคุยว่าให้ความรู้เรื่องโบราณคดีของภาคใต้ พันธาักษ์ก็ช่วยด้วยจบพอเสร็จเนี่ยนะทุกคนก็เดินออกมาขึ้นรถพันธารักษ์ก็ตามมาส่งทุกคนเนี่ยก็ขอบคุณพันธารักษ์ใหญ่เลยนะโอ้ขอบคุณนะที่ขนาดเป็นวันหยุด น, นี่ยังมาเปิดปพิพิธภัณฑ์ให้เขาดูตอนที่ขอบคุณเนี่ยขอบคุณอยู่นานแล้วก็สังเกตว่าอาจารย์พุทธทาสเนี่ยไม่ออกมาทุกคนเนี่ยมารออยู่ที่รถแล้ว ก็ตะกเรียกอาจารย์พุทธทาตระชานหลวงพ่อสักพักหลวงพ่อนั้นก็ยื่นมายื่นหน้ามาจากชั้นสองเนี่ยนะมาจากหน้าต่างเนี่ยแล้วก็บอกว่าโอ้ยขอบคุณอย่างเดียวไม่พอโว้ยต้องช่วยกันปิดหน้าต่างด้วยคือคนที่มาดูมาเทียบวิจาณ์นีน่นะดูเสร็จก็กลั บ, บอะ่ะนะ ไม่ช่วยไม่สนใจจะปิดหน้าต่างเลยเพราะพันธรักษ์อุตสาเปิดหน้าต่างนะพาแขกมาดูแขกนี่ก็ขอบคุณมากเลยนะพันธรักนี่มาช่วยเปิดพิพิธภัณฑ์แต่ดูจบ ก, ก็ไปเลยนะอาจารย์เพื่อท่านนี่ท่านเป็นผู้ที่รอบครอบนะท่านเป็นพระพระผู้ใหญ่นะเมื่อท่านเมื่อท่านมาใช้ที่เขาเนี่ยท่านก็ต้องก็ต้องช่วยพันธารักษ์ช่วยยังไงอย่างน้อยก็ช่วยปิดหน้าต่างนะ ท่านนึงบอกเนี่ยโอ๊ยขอบคุณยังเดียวไม่พอโวยช่วยกระปิดหน้าต่างด้วยอันนี้ยหมายความยังไงคราบว่าเวลาเราสำมื่นบุญคุณของใครเนี่ยเอย่าแค่นึกขอบคุณเฉยต้องช่วยแค่เรามาบนเนีแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกซาบซึ้งในความรักในบุญคุณของพ่อแม่รวมทั้งปู่ย่าตายายขอบคุณดีแล้วนะแต่ว่าอย่าอยู่เฉยเฉยต้องช่วย ช่วยยังไงนะก็อาจจะเริ่มต้นด้วยการช่วยงานบ้านเรี อ, อย่างน้อยเนี่ยช่วยรับผิดชอบตัวเราไม่ให้เป็นภาระกับคนอื่นเช่นนอนก็ต้องเจ็บเก็บที่นอนนะเวลากินข้าวกินขนมกินน้าก็รู้จักรังเจ้าเองบ้างรู้จักล้างถ้วยรางชามของตัวเองบ้างนะ และต่อไปเนี่ยแม้กระทั่งการทําความสะอาดห้องของเราถ้ามีเราก็ทําด้วยรับผิดชอบตัวเราไม่ให้เป็นภาระกับลูกหลานไม่ให้เป็นภาระกับพ่อแม่และต่อไปก็ขยายไปสู่การช่วยเหลืองานท่านนะแม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องของเราโดยตรงก็ตามเช่นทำความสะอาดบ้านทําความสะอาดห้องน้ำํำนะอันนี้เป็นของส่วนรวม ช่วยปัดกวาดนะคนที่อยู่ต่างจังหวัดนะยังต้องหาบน้ำอ่ะก็ช่วยพ่อแม่หาบน้ำนะตักน้ำใส่โอ่งเป็นต้นนะอันนี้เราต้องมีนะนิสัยแบบนี้นะเราถึงจะเรียกว่าเป็นผู้ที่มีคุณธรรมเมื่อช้านี้ก็พูดไปแล้วนะคุณธรรม นะในเรื่องของความมีน้ำใจความรู้จักมั่นคงในสิ่งที่ถูกต้องซื่อสัตย์สุจริตการตอบแทนบุญคุณผู้มีพระคุณก็เหมือนกันและต่อไปแล้วก็ตอบแทนผู้มีบุญคุณท่านอื่นด้วยที่ไม่ใช่พ่อแม่ปุยาตา ย, ยายเช่นสังคมเช่นประเทศชาติตอบแทนธรรมชาตินะที่ให้น้ําให้อากาศกับเราไม่ใช่แค่ขอบคุณเฉยๆลงมือทําด้วย เช่นช่วยปลูกป่าช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมนะหรือว่าอย่างน้อยๆแล้วนะก็ใช้ทรัพยากรให้น้อยลงไม่ใช้ไฟสูรุย่ยสูร่ายนะไม่ทิ้งน้ำนะอย่างสิ้นเปลืองนะเราต้มีสำนึกอย่างเี้ยนะเราถึงจะเรียกว่าเป็นผู้ที่มีการศึกษาบวชพระทั้งทีบวเนรทั้งทีบทศสิราจารีทั้งทีต้องมีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะ ไม่งั้นเนี่ยเหมือนกับว่าสู์เปล่านะพ่อแม่นะวันที่เขามาส่งเราวันที่เราบวชวันที่ยี่สิบเนี่ยนะอาจะมาเห็นพ่อแม่บุญญาตายายหน้าตานี่ปราบปลื้มปิติมากดีใจนะที่ลูกหลานมาบวชวันนี้ก็ยิ่งปิติเข้ามาใหญ่นะที่ลูกหลานเนี่ยสามารถจะบวชจนครบคอส์นะจนครบหลักสูตรได้อ่านะเพราะฉะนั้นเนี่ย ให้ที่เราทําดีในช่วงสามสี่อาทิตย์ที่ผ่านมาขอไม่หมทนานะแล้วก็หวังว่ามันจะช่วยทําให้เราอ่มีกําลังใจในการทําความดีเพิ่มพูนมากขึ้นนะอย่างที่บอกไว้แล้วว่าให้เรามีผ้าเหลืองหรือผ้าขาวเนี่ยผมจิตผอมใจเอาไว้ถึงแม้ว่าผ้าเหลืองผ้าขาวมันจะหลุดจักร่างไป ในเช้าวันนี้แต่ใจเราก็ยังมีเครื่องห่อหุ้มอยู่มันจะช่วยรักษาใจให้มีความสุขและช่วยรักษากายวาจาให้เป็นไปอย่างถูกต้องด้วยนะเอาแล้วก็ขออนุโมทนานะที่ลูกเนนแล้วก็ลูกศิลจารณีนั้นะได้มาร่วมกันนะทำความดี นอกจากเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ตนคือการสุขผลตนแล้วก็ยังได้บำเพ็ญประโยชน์ท่านหลายอย่างนะมีกิจกรรมหลายอย่างที่พวกเราได้ไปทําตนไปประโยชน์นะทั้งกับธรรมชาติกับผู้คนรอดล้อมกับวัดแล้วก็ก็หวังว่าเราจะได้ทําความดีนั้นให้สืบเนื่องต่อไปเมื่อเรากลับไปบ้านแล้วทําความดีกับพ่อแม่ทําความดีกับชุมชนหมู่บ้านสังคมประเทศชาติของเรานะแล้วก็ หวังว่าพวกเราก็จะได้รู้สึกขอบคุณนะในทุกท่านที่ได้มาช่วยงานนี้ไม่ว่าจะเป็นพ่อที่เลี้ยงนะจะเป็นแม่ชีที่ได้ช่วยดูแลเรานะจอดจนแม่ครัวพ่อครัวทั้งหลายแล้วก็อีกม่ากมายนะที่ช่วยเราอยู่ข้างหลังฉากนะให้เราเระลึกถึงในบุญคุณของท่านเหล่านั้นเราก็ตั้งใจว่าเราจะภาคเพียรทําความดี แม้ว่าจะไม่มีโอกาสทำความดีตอบแทนท่านโดยตรงก็ทำความดีกับสังคมประเทศชาติก็ถือเป็นการตอบแทนบุญคุณของท่านเช่นเดียวกันที่สุดนี้ก็อขออ้างคุณพระศรีรัตนตรัยอำนดอวยผลให้ลูกเนรแล้วก็ลูกศลศิรจารณีทุกท่านนะตลอดจนบินามารดาญนะาติโยมทั้งหลายนะผู้เป็นที่เป็นพ่อแม่นะปู่ย่าตายายของเรา จงมีความสุขความเจริญมีอายุวันณนะสุขะพละเพื่อเป็นพระปัจจัยในการทำความดีงานให้ถึงพร้อมทั้งศีลสมาธิปัญญานำพาให้ชีวิตประสบความสุขปลอดภัยไกลทุกข์และที่สุดก็ขอให้ได้บังเกิดปัญญาสามารถจะพาจิตต้นจากความทุกข์เข้าถึงความสุขเสษมสารมีพระนิพพานเป็นที่หมายด้วยกันทุกคนเทิด